ภูตะาท ก, กะเปติวัตุเรื่องนางเปรตกินคูดพระมหาโมคลานเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่า mm. เธอเป็นใครหนอโผล่ขึ้นจากหลุมคูดยืนเศร้าส้อยอยู่เธอคงทำกรรมชั่วไว้โดยไม่ต้องสงสัยจะร้องครวญครางอื้ออึงไปทำไมเล่านางเปรตนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันเกิดเป็นเ ป, นเปรตในโยมโลก ได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกพระมหาโมคลานะเทระถามว่าเธอได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงได้รับทุกข์เช่นนี้นางเปรตนั้นตอบว่าได้มีภิกษุรูปหนึ่งอยู่ประจำในวัดของดิฉันมริษยาตรณีตระกูลผูกขาดในเรือนของดิฉัน มีใจกระด้างมักดา ว, ว่าภิกษุอคันตุกะทั้งหลายดิฉันเชื่อคำของท่านได้ดา ว, ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะผลกรรมนั้นดิฉันจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตัดโลกพระมหาโมคลานะเทระถามว่าภิกษุผู้คุ้นเคยกับตระกูลของเธอไม่ใช่มิแท้เป็นมิเทียมมีปัญญาสามมรณภาพแล้วไปสู่กติไหนหนอนางเปรตนั้นตอบว่า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 คูทัขาทักะเปติวัตุที่9จบ 10. คณะเปตะวัตุเรื่องเปรตคณะหนึ่งพระมหาโมคลานะเถระถามเปรตทั้งหลายว่าพวกท่านเปลือยกายมีร่างกายผายผอมมีผิวพรรณและรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นมีซี่โครงผุดขึ้นท่านผู้นิระทุก พวกท่านเปลือยกายเป็นใครกันหนอเปรตทั้งหลายตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญพวกข้าพเจ้าเป็นเปรตตกยากเกิดในโยมโลกเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตระโลกพระมหาโมคลานะเทระถามว่าพวกท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านทั้งหลายจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตระโลก เพตรเหล่านั้นตอบว่าเมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นเหมือนท่าน้ําซึ่งไม่มีใครห่วงห้ามพวกข้าพเจ้ามีความตรหนีจึงเก็บทรัพย์เพียงครึ่งมาสกไว้เมื่อไทยธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทํำที่พึ่งแก่ตนให้ทานพวกข้าพเจ้ากระหายน้ําจึงเข้าไปใกล้แม่น้ําแม่น้ํากลับกลายเป็นว่างเปล่าไปในเวลาร้อนพวกข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ร่มไม้ ร่มไม้กลับกลายเป็นแดดไปทั้งลมก็ร้อนเหมือนไฟพัดฟุ้งเผาพวกข้าพเจ้าไปพระคุณเจ้าผู้เจริญพวกข้าพเจ้าสมควรเสวยทุกข์อันมีความกระหายเป็นต้นนี้และทุกอย่างอื่นที่หนักกว่านั้นอันหนึ่งพวกข้าพเจ้าหิวโหวยอยากอาหารพากันเดินทางไปหลายโยต์ก็ไม่ได้อาหารเลยจึงพากันกลับมาพวกข้าพเจ้าช่างมีบุญน้อยเสียจริงหนอ พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกข้าพเจ้าหิวโหยอิดโรยเป็นลมล้มสลบลงที่พื้นดินบางครั้งล้มหงายกลิ้งไปบางครั้งก็ล้มควม่มอันหนึ่งพวกข้าพเจ้านั้นสลบล้มอยู่ที่พื้นดินนั้นเองหน้าอกและศรีรษะก็กระทบกันและกันพวกข้าพเจ้าช่างมีบุญน้อยเสียจริงหนอพระคุณเจ้าผู้เจริญพวกข้าพเจ้าควรจะเสวยทุกมีความกระหายเป็นต้นนี้ และทุกอย่างอื่นที่หนักกว่านั้นเพราะเมื่อไทยธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนอันหนึ่งพวกข้าปเจ้านั้นจากเปตะโลกนี้ไปแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์จะรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลและทำกุศลให้มากเป็นแน่คณะเปตะวัตถุที่สิบจบ ปาตาลิปุตตะเปตะวัตุเรื่องหญิงชาวเมืองปาตาลิบุตรสนทนากะเปรตเวมานิกกระเปตตนหนึ่งได้กล่าวกับหญิงมนุษย์คนหนึ่งว่าสัตว์นรกบางพวกกำเนินสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือแม่มนุษย์และเทวดาเธอก็ได้เห็นแล้วผลกรรมของตนเธอก็ได้เห็นด้วยตนเอง เราจกนำเธอไปส่งยังเมืองปาตลิบทซึ่งไม่มีใครห่วงห้ามเธอไปที่เมืองนั้นแล้วจงทำกุศลกรรมเธอเมื่อหญิงนั้นได้ฟังแล้วมีความปลื้มใจจึงกล่าวตอบว่าเทวดาผู้ควรบูชาท่านเป็นผู้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ดิฉันดิฉันจะทำตามคําของท่านท่านเป็นอาจารย์ของดิฉันสัตว์นรกบางพวกกาเนิดสัตติระชานเปรตอสุรกาย หรือแม้มนุษย์และเทวดาดิฉันก็ได้เห็นแล้วผลกรรมของตนดิฉันก็ได้เห็นเองแล้วดิฉันจะทำบุญให้มากปาตาลิปุตตะเปตะวัตถุที่11อจบ 12. อัมภวนะเปตะวัตถุเรื่องเปรตเฝ้าสวนมะม่วงพวกพ่อค้าได้ถามเวมานิกะเปตตนหนึ่งว่าะโบกขรณีของท่านนี้แสนจะน่ารื่นรม มีพื้นราบเรียบมีท่าน้ำงดงามมีน้ำมากมีดอกไม้บานสะพรั่งควักควายด้วยหมูพมรท่านได้สะโบกกรณีเป็นที่เจริญใจนี้มาอย่างไรสวนมะม่วงของท่านนี้แสนจะน่ารื่นรมกำลังลผลิตผลมีดอกบานสะพรั่งควักควายไปด้วยหมูพมร น, นำความสุขมาให้ทุกระดูการท่านได้วิมานี้มาอย่างไรเวมานิกเปตนั้นตอบว่า ข้าพเจ้าได้สวนมะม่วงมีร่มเงาเย็นน่ารื่นรมใจในที่นี้เพราะทานที่ทีดาของข้าพเจ้าถวายมะม่วงสุกน้ำข้าวยาขู่และอุทิศให้ธิดาของเปรตนั้นบอกลูกของตนเองว่าพอลูกจงดูผลแห่งทานความข่มใจและความสำรวมที่เห็นผลทันตายอย่างนี้แม่เป็นสาวใช้มาเป็นลูกสะพ้ยเป็นใหญ่ในเรือนของตระกูลของลูกภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาทรงเห็นนางมียานแก่กล้าจึงแผ่รัศมีไปแสดงพระองค์ให้ปรากฏดูประทับยืนเฉพาะหน้าแล้วได้ตรัสคถานี้ว่าสิ่งที่ไม่น่าชอบใจย่อมครอบงำผู้ประมาท ด, ดยอาการที่น่าชอบใจสิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบงำผู้ประมาทโดยอาการที่น่ารักและสิ่งที่เป็นทุกข์ย่อมครอบงำผู้ประมาดได้โดยอาการที่เป็นสุข อำพวณะเปตวัตถุที่12บสองจบ 13. อัคคะรุขะเปตวัตถุเรื่องอัคคะรุขะเปรตภูมิมเทวดาตนหนึ่งเตือนอุบาสกคนหนึ่งว่าถ้ายกให้สิ่งใดผลจะเป็นสิ่งนั้นก็หาไม่เพราะฉะนั้นบุคคลพึงให้ทานเถิดครั้นให้ทานแล้วย่อมข้ามพ้นทุกข์และความพินาศทั้งสองย่อมประสบสุขทั้งสองเพราะทานนั้น ท่านจงเตือนเธออย่าได้ประมาทเลยอัคคะรุขะเปตะวัตุที่สิบสามจบสิบสี่โภคะสังหระเปตะวัตุเรื่องเปรตรูปรวมโภคะ เวลากลางคืนยิงเปรสีตนถูกทุกครอบงำจึงพากันร้องไห้รำพึงรำพันด้วยเสียงดังอย่างน่ากลัวว่าพวกเรารวบรวมพวกขัพท์ไว้โดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างแต่คนอื่นๆพากันใช้สอยพวกขัพท์เหล่านั้นพวกเรากลับได้รับทุกขะสังหรารเปตะวัตถุที่14จบ 15. เศรษฐิปุตตะเปตะวัตถุ เรื่องเปรตเศรษฐีบุตรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาที่เปรตสี่ตนเริ่มจะกล่าวตนลัทคาถาให้บริบูรณ์ว่าเมื่อพวกเราหมกไม้อยู่ในนรกหกหมื่นปีครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อไรจะมีความสิ้นสุดความสิ้นสุดไม่มีความสิ้นสุดจะมีที่ไหนความสิ้นสุดจะไม่ปรากฏเพื่อนยากเพราะเราและท่านได้ทํากรรมชั่วไว้อย่างนั้น พวกเราเมื่อทายธรรมมีอยู่ไม่เหของที่มีอยู่จึงมีชีวิตเป็นอยู่อย่างลำบากเมื่อทายธรรมมีอยู่พวกเราไม่ได้ทำที่พึ่งแก่ตนเรานั้นจากเปตะโลกนี้ไปแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์จะรู้ความประสงค์ของผู้ขอสมบูรณ์ด้วยศีลทำกุศลให้มากเป็นแน่เศรษฐิปุตตะเปตตวัตถุที่15จบ 16. สัติกูตะเปตตวัตถุ เรื่องเปรต ถ, ถูกค้อนต่อยศีรษะวันหนึ่งพระมหาโมคลาะเถระลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นเปรตนหนึ่งจึงซักถามด้วยคถาว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงวิ่งไปมาเหมือนเนื้อที่วิ่งพล่านท่านคงทำกรรมชั่วไว้โดยไม่ต้องสงสัยจะมาร้องครวญครางอื้ออึงไปทำไมเล่าเปรตนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญ ข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในโยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำบาปกรรมไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตาโลกค้อนเหล็กจำนวนหกหมืนลูกตกมาตีกระหม่อมศีรษะของข้าพเจ้าพระเถระถามว่าท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องได้รับทุกข์เช่นนี้อันหนึ่งค้อนเหล็กจำนวนหกหมืนลูก ตกมาตีกระหม่อมศีรษะของท่านเพราะผลกรรมอะไรเปรตนั้นตอบว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าได้เห็นพระปัเจ ก, กับพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระนามว่าสุเนศอบรมอินทรีย์แล้วผู้ไม่เกิดความกลัวแต่ที่ไหนนั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้ข้าพเจ้าได้ดีดก้อนโกรวดทาลายกระหม่อมของท่านเพราะผลกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงต้องได้รับทุกข์เช่นนี้ค้อนเหล็กจํานวนหกหม0่นลูก ตกมตีกระม่อมศีรษะของข้าพเจ้าพระเทระกล่าวว่าบุรุษชั่วเพราะความสาสมแก่เหตุของท่านค้อนเหล็กจำนวนหกหมื่นลูกจึงตกมาตีกระม่อมศีรษะของท่านสัตย์กูตะเปตะวัตถุที่1ิบจบมหาวักที่สี่จบรวมเรื่องเปรตที่มีในวักนี้คือหนึ่งอัมพะสักระเปตะวัตถุ สเซรีส ก, กะเปตวัตถุ 3. นันทกะเปตวัตถุ 4. ี่เรวตีเปตวัตถุ 5. อุชุเปตวัตถุ 6. กุมาระเปตวัตถุ 7. ราชาปุตตะเปตตะวัตถุ8คูทข า, าทากะเปตวัตถุ 9. ก้าคูทขาทากะเปติวัตถุ 10. คณะเปตวัตถุ 11. ปาตาลิปุตตะเปตวัตถุ 12. อัมภวนาเปตวัตถุ 13. อัคขารุขะเปตวัตถุ 14. โพคสังหระเปตวัตถุ 15. เศรษฐิปุตตะเปตวัตถุ 16. สัิกูตะเปตวัตถุรวม16เรื่องท่านจัดไว้เป็นหนึ่งวั รวมวักที่มีในเรื่องเปรตคือ 1. อุรุขวัก 2. อุพริวัก 3. จุลวัก 4. มหาวักรวม51เรื่อง 4. ภานวาระเปตวัตถุจบบริบูรณ์ สุตันตปิฎกขุทกะนิกายเทระคาถาขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนิทานาคาถาเชิญท่านทั้งหลายสะดับคาถาซึ่งนำเข้าไปหาประโยชน์ของท่านผู้อบรมตนได้ผู้เป็นเช่นราชสีแยกเคีว้วร้องคำรามอยู่ที่ซ่อเขาท่านมีชื่อวงตระกูลมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ และมีจิตอันน้อมไปในธรรมตามที่ปรากฏเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างไม่เกียจคร้านเห็นแจมแจ้งบรรลุนิพพานแล้วในเสนาสนะอันสงัดนั้ น, น, นเมื่อเล็งเห็นผลอันเลิศแห่งหน้าที่ที่ได้ทำเสร็จแล้วจึงได้กล่าวข้อความนี้ไว้ 1. เอกนิบาตหนึ่งปฐมวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งสุภูติเทระคาถา ภาษิตของพระสุภูติเทระทราบว่าท่านพระสุภูติเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าฝนเอย๋ยอูดีของเราสบายมุงบางมิชิดดีจงตกตามสบายเถิดจิตเราหลุดพ้นตั้งมั่นดีแล้วเราปรารบความเพียรอยู่จงตกลงมาเถิดฝนสองมหาโกติตะเทระคาถา ภาษิตของพระมหาโกธิตเถระทราบว่าท่านพระโกฏิตเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุสงบงดเว้นจากการทำชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดาบาปทำทั้งหลายได้เหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปสามกังขาเรวตะเถระคาถาภาษิต ข, ของพระกังขาเรวตตเถระ ทราบว่าท่านพระกังขาเรวตะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเชิญท่านดูพระปัญญาของพระตถาคตทั้งหลายผู้ประธานแสงสว่างและประธานดวงตาย่อมชื่อว่าทรงกาจัดความสงสัยของเหล่าเวนยสัตว์ผู้พากันมาเฝ้าเสียได้เหมือนแสงไฟที่เจอจ้าในเวลาค่ำคืน 4. ปุบุญนนเถระคาถา ภาษิตของพระปุณณเถระทราบว่าท่านพระปุณณมันตานิบุตรเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลพึงสมาคมกับสัตว์ปรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาชี้แนะแต่ประโยชน์ทายเดียวเพราะสัตว์ปรุษทั้งหลายเป็นปราชดไม่ประมาทเห็นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาได้บรรลุประโยชน์อันใหญ่หลวงลึกซึ้งเห็นได้ยากละเอียดและสุขุมห ทพระเทระคาถาภาษิของพระทัพเทระทราบว่าท่านพระทัพเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าพระทพพระผู้ฝึกได้ยากถูกพระศาสดาผู้ฝึกทรงฝึกแล้วเป็นผู้สันโดษปราศจากความสงสัยชนะกิเลสได้แล้วปราศจากความขลากลัวมีจิตคงที่ดับสนิทแล้วหก สีตะวณิยเทระคาถาภาสิตของพระสีตวณิยเทระทราบว่าท่านพระสีตะวณิยเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้เข้าไปสู่ป่าสีตะวันแล้วย่อมเป็นผู้โดดเดี่ยวสันโดษมีจิตตั้งมั่นชนะกิเลสได้แล้วปราศจากความขนพองสยองกล้าวมีปัญญาเจริญกายคตาสติเจ็ด พันลิยะเทระคาถาภาษิตของพระพันลิยะเทระทราบว่าท่านพระพันลิยะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้ที่กระเจาเสนาพญาเมจุราชได้เหมือนกระแสน้ําหลากพัดพังทลายสะพานไม้อ้อซึ่งไม่มีกําลังต้านทานนับว่าเป็นผู้ชนะกิเลสปราศจากความขลาดกลัวฝึกตนดีแล้วมีจิตคงที่ดับสนิทแล้ว วีระเทระคาถาภาษิตของพระวีระเทระทราบว่าท่านพระวีระเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าพระวีระเทระผู้ฝึกได้ยากถูกพระศาสดาผู้ฝึกทรงฝึกแล้วเป็นผู้สันโดษปราศจากความสงสัยชนะกิเลสได้แล้วปราศจากความขนพองสยองกล้าวมีจิตคงที่ดับสนิทแล้ว ปิลินทวัชเทระคาถาภาษิตของพระปิลินทวัชเทระทราบว่าท่านพระปิลินทวัชเทระได้กล่าวคทถาไว้ดังนี้ว่าการที่เราได้มายังสำนักพระผู้มีพระภาคนี้เป็นการมาดีแล้วไม่ไรประโยชน์การที่เราได้คิดไว้ว่าจะฟังทำในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วบวนี้เป็นความคิดไม่เลวเลย เพราะเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกธรรมอันประเสริฐทั้งหลายเราได้บรรลุธรรมนั้นแล้ว 10. ปุณณมาสเทระคถาภาษิตของพระปุณณมาสเทระทราบว่าท่านพระปุณณมาสเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าผู้ที่บรรลุความรู้สูงสุดเป็นผู้สงบระ ง, งับสำรวมตนแล้วไม่ข้องติดในธรรมทั้งหลายทั้งปวง รู้ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งโลกนับว่าได้กำจัดความเพ่งเล็งคือตัณหาในโลกนี้และโลกหน้าเสียได้ปฐมวัคจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวั ค, คือ 1. พพรรรระะะะสุภูตติิเเ 2. มหาก this is one ร w วตเทระ 4. พระบุญณมันตานิบุตรเทระ 5. พระทัพบุตรเทระ 6. พระศีตวนิยะเทระ 7. พระพันลิยะเทระ 8. พระวีระเทระ 9. พระปิลินทวชะเทระ 10. พระบุญณมาสะเทระ 2. ทุติยวักหมวดที่สองหนึ่งจุลวัชเทระคาถาภาษิตของพระจุลวัชเทระทราบว่าท่านพระจุลวัชเทระได้ยกล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุที่มากด้วยความปราโมทในธรรมอันพระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วพึงบรรลุสันตบทอันเป็นธรรมเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นสุข 2. มหาวัชะเทระคาถาภาสิทธิ์ของพระมหาวัชะเทระทราบว่าท่านพระมหาวัชะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุมีพลังปัญญาสมบูรณ์ด้วยศีลและข้อปฏิบัติมีจิตตั้งมั่นยินดีในฌานมีสติชั้นอาหารพออยู่ได้ปราศจากราคะพึงรอเวลาเป็นที่ดับขันธปรินิพานในพระศาสนานี้ สวณวัชเทระคาถาภาษิตของพระวณวัชเทระทราบว่าท่านพระวณวัชเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าผู้เขาหินหลากหลายมีสีดังเมฆคลื่นงามเรืองรองแหล่งน้ําเย็นใสสะอาดดารดาดด้วยมแมลงค่อมทองช่างชวนให้เรารื่นรมย์ใจเสียจริง 4. วณวัชเทระสามเนระคาถา ภาษิของสามเณรของพระวณวชชะเทระทราบว่าสามเณเณรของท่านพระวณวชชะเทระเรียกกล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าพระอุปชาเรียกล่าวกับเราว่าสีวกะเราจะไปจากที่นี่กายเราอยู่บ้านแต่ใจเราอยู่ป่าแม้ลุกไม่ไว้เราก็จะไปผู้รู้แจ้งหาข้องอยู่ไม่หกุณฑทานะเทระคถา ภาษิตของพระกุณฑทานเถระทราบว่าท่านพระกุณฑทานเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุพึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำห้าพึงละสังโยชน์เบื้องสูงห้าพึงเจริญอินรีห้าให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุผู้ก้าวล่วงธรรมเป็นเครื่องข้องห้าประการได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้ามโอคะได้แล้วหก เพลทะศีสะเทระคาถาภาสิตของพระเพละถะศีสะเทระทราบว่าท่านพระเพลทะศีสะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าโคอาชาในเจริญเต็มที่เทียมไถแล้วย่อมลากไถยไปได้โดยไม่ลำบากฉันใดเราเมื่อได้ความสุขปราศจากอามิเจือปนแล้ววันคืนทั้งหลายย่อมผ่านพ้นเราไปโดยไม่ยากฉันนั้น ทาศกะเทระคาถาภาสิตของพระทาสกะเทร ะ, าาาร ะ, ท, ะทระาบว่าท่านพระทาศกะเทระได้กล่าควคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อใดบุคคลผู้ถูกความง่วงเหงาครอบงำบริโภคมากชอบแต่นอนกลิ้งเกลือกไปมาเมื่อนั้นเขาย่อมมีปัญญาเฉยชาชอบเข้าห้องเป็นอาจินเหมือนสุกรอ้วนที่เขาขุนด้วยเศษอาหาร นอนกลิ้งเกลือไปมา 8. สิงฆะเทระคาถาภาสิตของพระสิงฆะเทระทราบว่าท่านพระสิงฆะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุอยู่ในป่าเพชกระลาวันพิจารณาแผ่นดินคืออัตาภาพนี้ด้วยเข้าใจว่าเป็นกระดูกล้วนเป็นอารมณ์ย่อมชื่อว่าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้า เราเข้าใจว่าท่านรูปนั้นเห็นจันละกามราคะได้เร็วพลันแน่แท้ 9. กุลเทระคาถาภาษิตของพระกุลเทระทราบว่าท่านพระกุลเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าพวกคนขายน้ำก็ทำหน้าที่ขายน้ำพวกช่างทำสอนก็ดัดลูกสอนพวกช่างไม้ก็ถากไม้ พวกมีวัดดีก็ฝึกตน 10. อาชิตะเทระคถาภาษิตของพระอาชิตะเทระทราบว่าท่านพระอาชิตะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราไม่มีความกลัวตายไม่มีความเยื่อใยในชีวิตเราจะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะละทิ้งร่างกายเราไปทุติยวักจบ รวมเรื่องพระเถระที่มีในวักนี้คือ1พระจุลวัชเถระ2พระมหาวัชเถระ3พระวนวัชเถระ4พระศีวกะเถระ5พระกุลทัานาเถระ6พระเพลทะศีสะเถระ7พระทาสกะเถระ8 พระเสียงคาลเทระเก้าพระกุลเทระสิบพระอจิตเทระสามตติยวักหมวดที่สามหนึ่งนิโครธทะเทระคาถา พาสิตของพระนิโคระเทระทราบว่าท่านพระนิโคระเทระได้กล่วาวคถาไว้ดังนี้ว่าเราไม่กลัวภัยพระศาสดาของเราทั้งหลายทรงเฉียบแหลมในอมตะธรรมภิกษุทั้งหลายย่อมดำเนินตามหนทางที่ไม่มีภัยสองจิตกะเทระคาถาพาสิตของพระจิตกะเทระทราบว่า ท่านพระจิตกะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่านกยุงทั้งหลายมีขนคอเขียวงดงามมีหงอนสวยร้องเซ็งแซ่อยู่ในป่าการะวีนกยุงเหล่านั้นพากันร้องเซ็งแซ่ในยามมีลมหนาวเจอือฝนย่อมกระตุ้นเตือนผู้เจริญฌานซึ่งหลับอยู่ให้เตือนขึ้น 3. โคสาละเทระคาถาภาษิต ข, ของพระโคสาลเทระ ทราบว่าท่านพระโคสาลเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราฉันข้ามทุปายาตใต้พุ่มไผ่พิจารณาถึงความเกิดและความเสื่อมของขันธ์ทั้งหลายโดยเคารพจะกลับไปสู่สารุบันธท์ที่เราเคยอยู่แล้วเพิ่มพูนวิเวกต่อไปสสุขันธเถระคาถาภาสิกของพระสุขันธเถระทราบว่า ท่านพระสุคันธเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุบวชยังไม่ทันครบพรรษามองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงามบรรลุวิชาสามแล้วได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหนันทิยะเทระคาถาภาษิตของพระนันทิยะเทระทราบว่าท่านพระนันทิยะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่า มารผู้มีกรรหยาบช้าและมีชาติเลวทรามท่านเบียดเบียนภิกษุผู้มีจิตบรรลุอารหาัตผลสว่างสวัยด้วยยานโนภาคเป็นนิเช่นนั้นจะได้รับทุกข์มหัน 6. อภัยยเทระคาถาภาษิตของพระอภัยยเทระทราบว่าท่านพระอภัยยเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเพราะเราได้ฟังวาจาสุภาษิตของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์จึงได้รู้แจ้งทำรรอันละเอียดยิ่งดูดบุคคลยิงปลายขนทรายด้วยลูกศร 7. โลมาสกังคยะเทระคาถาภาษิตของพระโลมาสกังคยะเทระทราบว่าท่านพระโลมาสกังคยะเทระเรียกล่าคาถาไว้ดังนี้ว่าเราจะใช้อกฝายหญ้าแพร่หญ้าคาหญ้าดอกเหล่าหญ้าแฝก ย่ามงกระตายและญ้าปล่องเพิ่มภูนวิเวก 8. ชามพุฆามิกะบุตรเทระคถาภาษิตของพระชามพุฆามิกบุตรเทระทราบว่าท่านพระชามพุฆามิกบุตรเทระเรียกล่าคาถาไว้ดังนี้ว่าท่านยังขนขวายประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอยู่หรือไม่ยังยินดีประดับประดาร่างกายอยู่หรือไม่ ท่านทำกลิ่นศีลให้ขจรกระจายไปอยู่หรือไม่คนทุศีล น, นอกนี้ไม่อาจทำกลิ่นศีลให้ขจรกระจายไปได้ 9. หาริตะเทระคถาภ า, าษิตของพระหาริตะเทระทราบว่าพระหาริตะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าหาริตะเธอจงยกตนขึ้นเธอจงทำจิตให้ตรงเหมือนช่างสอนดัดสอนให้ตรง แล้วทำลายอาวิชาเสีย10อุตยเทระคถาภาสิตของพระอุตยเทระทราบว่าท่านพระอุตยเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่ออ า, าพาธเกิดขึ้นแก่เราเราก็ได้สติว่าอ า, าพาธเกิดแก่เราแล้วเวลานี้เราไม่ควรประมาทตติยวัก รวมเรื่องพระเทระที่มีนิวัค์นี้คือ 1. พระนิโคระเทระ 2. พระจิตตกะเทระ 3. พระโคสาลเทระ 4. พระสุขันธเทระ 5. พระนันทิยะเทระ 6. พระอภัยเถระ 7. พระโลมาสกังขียะเถระ 8. พระชัมพุคามิตรกบุตรเทระเก้าพระหาริตะเทระสิบพระอุติยะเทระ 4. จ่จตุทวักหมวดที่ส 1. หนึ่ง ขหุรติเรยเทระคาถาภาษิตของขหุรติริยเทร ะ, ท ร, ร ท, ระทราบว่าท่านพระขหุรติริยเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลถูกเหลือบและยุงกัดในป่าใหญ่พึงเป็นผู้มีสติอดกลั้นในอันตรายนั้นเหมือนช้างในสงคราม 2. ส, สุปิยเทระคาถาภาษิตของพระสุปิยเทระ ทราบว่าท่านพระสุปิยเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีความชราเพียนเผาพลานกิเลสอยู่พึงบรรลุนิพพานอันปราศจากความแก่ปราศจากอามิ t h เป็นธรรมสงบกเกษมจากโยคะและยอดเยี่ยมอย่างยิ่งสามโสปากะเถระคาถาภาษิตของพระโสปากะเถระทราบว่า ท่านพระโสปาเะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลมีอัิยสัยประกอบด้วยเมตตาในบุคคลเดียวที่น่ารักชั้นใดภิกษุเพื่มีอัิยสัยประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทั้งปวงในที่ทุกแห่งฉั้นนั้นสี 4. โปสิยะเทระคถาภาษิตของพระโปสิยะเถระทราบว่าท่านพระโปสิยะเทระ ได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าหญิงเหล่านี้ไม่เข้าใกล้เป็นการดีแต่พอเข้าใกล้ก็จะก่อความพินาศให้เนืองนิดเราออกจากป่ามาสู่บ้านจากนั้นก็เข้าไปยังเรือนเราชื่อโปศยะไม่บอกลาใครลุกจากเตียงหลีกหนีไปห้าสามัญญาการนิเทระคาถาภาษิตของพระสามัญญาการนิเทระ ทราบว่าท่านพระสามัญญาการิเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าบุคคลผู้ต้องการนิรามิสุขประพฤติให้สมควรแก่การได้ความสุขนั้นย่อมได้ความสุขผู้บำเพ็ญอริยมรรคมีองแปดอันเป็นทางสายตรงไม่คดเคี้ยวเพื่อบรรลุอมะตะบดย่อมได้เกียรติคุณและเจริญยศ 6. กูมาปุตตะเทระคาถา ภาษิตของพระกุมาบุตรเถระทราบว่าท่านพระกุมาบุตรเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าการฟังเป็นความดีการประพฤติตนเป็นคนมากน้อยเป็นความดีการปฏิบัติเพื่อละกามคุณห้าทุกเมื่อเป็นความดีการถามสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีการปฏิบัติตามโอวาเดลเคารพเป็นความดีจิจมีการฟังเป็นต้นเป็นเครื่องหมายความเป็นสมณะ ผู้หมดความกังวล 7. กุมาบุตรเทระสหายกะเทระคาถาภาษิตของพระกุมาบุตรสหายกะเทระทราบว่าท่านพระกุมาบุตรเทระสหายกะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ไม่สำรวมจิตท่องเที่ยวไปตามชนบทต่างๆย่อมทำสมาธิคลาดเคลื่อน การท่องเที่ยวไปยังแวนแควนจะช่วยอะไรได้เล่าเพราะฉะนั้นภิกษุพึงกำจัดความแข่งดีไม่พึงให้มิชาวิตกและกิเลสมีตันหาเป็นต้นครอบงำเจริญฌาน 8. ขวัมปติเทระคาถาภาษิตของพระขวัมปติเทระทราบว่าพระผู้มีพระภาคประเสริญพระขวัมปติเทระด้วยพระคาถาดังนี้ว่า เทวดาทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควมปติผู้ข้ามแม่น้ำสระูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาไรๆไไม่หวนไววต่อสิ่งอะไรทั้งสิ้นข้ามกิเลสเครื่องคล่องทั้งหมดเสียได้เป็นมหามุนีผู้บรรลุนิพพานแล้ว 9. ติสเถระคาถาพาสิทธิของพระติสเถระทราบว่าท่านพระติสเถระ ได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุพึงมีสติพยายามละกามราคะเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัตตะเมื่อศีรษะถูกไฟไหม้10วัถมานเถระคาถาภาษิตของพระวัถมานเถระทราบว่าท่านพระวัถมานเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า ภิกษุพึงมีสติพยายามละภวะราคะเหมือนคนพยายามใช้ศาสตราตัดเครื่องประหารที่ชื่อว่าโอมัถเมื่อศีรษะถูกไฟไหมจะตุทวักจบรวมเรื่องพระเถระที่มีในวั์นี้คือ 1. พระขะหุรติริยเถระ 2. พระสุปิยเถระ 3. พระโสปากะเถระ 4. พระโปชิยเทระ 5. พระสามัญญากานิเทระ 6. พระกุมาบุตรเทระ 7. พระกุมาบุตรเทระสหายกะเทระ 8. พระขวัมปติเทระ 9. พระติสะเทระ 10. พระวัฒมาณะเทระ ปัญจมวักหมวดที่ห้าหนึ่งสิริวัฒเถระคาถาภาสิตของพระสิริวัฒเถระทราบว่าท่านพระสิริวัฒเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้เป็นบุตรของพระพุทธองค์ผู้คงที่หาผู้เสมอเหมือนมิได้ไปเข้าฌานอยู่ตามซอกเขาเหมือนสายฟ้าแลบส่องลอดเข้าไป ตามช่องเขาที่ชื่อเวพาระและปันทวะ 2. คัทิระวนิยเตระคถ า, าภาษิตของพระคัทิระวนิยเตระทราบว่าท่านพระคัทิระวนิยเตระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าสามเณรจาระสามเณรอุปจาระสามเณรสีสูปจาระพวกเธอครองสติมั่นคงอยู่หรือเปล่า ลวงลุงของพวกเธอผู้เปรียบเหมือนนายขมังธนูผู้สามารถยิงทะลวงปลายขนซ่ายได้เพราะมีปัญญาหลักแหลมว่องไวรู้แจ้งตลอดมาถึงแล้วสสุมังคละเทระคถาภาษิตของพระสุมังคระเทระทราบว่าท่านพระสุมังคระเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราพ้นดีแล้วพ้นแล้วด้วยดี พ้นดีแล้วจากการหลังข้อมสามกรณีคือจากการเกี่ยวข้าวการไถานาและการถางหญ้าแม้ว่างานเกี่ยวหญ้าเป็นต้นจะมีอยู่ในที่ใกล้ๆนี้ก็ตามแต่ก็ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราทั้งสิน้นเพียนเพ่งเถิดสุมังคละจงเผาเถิดสุมังคละเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทอยเถิดสุมังคระ 4. ่สานุเทระคาถา ภาษิตของพระสานุเทระทราบว่าท่านพระสานุเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าโยมแม่ชนทั้งหลายร่าให้ถึงคนที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่แต่หาไม่พบโยมแม่โยมยังแลเหินอาตมามีชีวิตอยู่ทำไมจึงร่าให้ถึงอาตมาเล่าโยมแม่ 5. โรมณียวิหารีเถระคาถา ภาสิทธิ์ของพระโรมนียะวิหารีเทระทราบว่าท่านพระโรมนียะวิหารีเทระได้กล่าวพรถาไว้ดังนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยทัศนะเพราะพลังพลาดแล้วสามารถตั้งตนได้เหมือนโค อ, อาชาในเจริญเต็มที่พลาดล้มแล้วลุกขึ้นยืนใหม่ได้ฉะนั้น สมิธิเถระคาถาภาษิตของพระสมิธิเถระทราบว่าท่านพระสมิธิเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธามีสติปัญญาเจริญมีจิตมั่นคงดีแล้วเจ้ามารร้ายเอ๋ยเจ้าจงบรันรดานลรูปแปลกประหลาดต่างๆตามใจชอบเถิดแต่จะไม่อาจทาให้เราสะทกสะทานได้เลย อุชยะเทระคาถาภาษิตของพระอุชยะเทระทราบว่าท่านพระอุชยะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าข้าแต่พระพุทธองค์ผู้ทรงแกล้วกล้าข้าพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระองค์พระองค์ทรงหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งมวลข้าพระองค์ดํารงอยู่ในพระโอวาทของพระองค์จึงอยู่อย่างผู้ปราศจากอาสวะกิเลส แสัญญะเทระคาถาภาษิตของพระสัญญยเถระทราบว่าท่านพระสัญญยเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าตั้งแต่เราออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตความดำริอันต่ำซามประกอบด้วยโทษเขาพระเจ้าไม่เคยรู้จักเลย 9. รามเนยกะเทระคาถาภาษิตของพระรามเนยกะเทระ ทราบว่าท่านพระรามาเนยกะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าเจ้ามารร้ายเอย๋ยจิตของเรานั้นไม่หวั่นไหวในเพราะเสียงจอกแจ้กของฝูงนกกระจาบและเสียงกู่ก้องของฝูงลิงเพราะจิตของเรายินดีในเอกคตารมสิบวิมลเทระคาถาภาษิตของพระวิมลเทระทราบว่า ท่านพระวิมลเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าพื้นปฐพีช่ำชื่นด้วยน้ำฝนลมเจือละองฝนก็พัดโชยทั้งสายฟ้าก็แลบอยู่ทั่วท้องฟ้าแต่วิตกทั้งหลายรงงะงับไปจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วปั้นจะมวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวักนี้คือหนึ่งพระสิริวัะเทระ 2. พระคธติรวนิยเะเรวตตเถระ 3. พระสุมังคละเถระ 4. พระสานุเถระ 5. พระโรมนียวิหารีเถระ 6. พระสมิธิเถระ 7. พระอุชยะเถระ 8. พระสัญชยเถระ 9. พระรามเนยกะเถระ สิพระวิมลเทระ